ب ิ سمILLAH ิ روهما ن ر ا ي م เซนิดะม์อัลฮัมดุลลฮิรบบินะลมิ وبه نستعین اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ความสันติความจำเริญจากอัลลอ ได้โปรดประสบเดชพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทัศน์ศในวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้แปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับไมโครโฟนมันเป็นแบบใหม่หนะเสียงอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยอยู่ในซุลรออูซุฟอยู่กําลังขึ้นข้นเลยอายะที่เจ็ดสิบเจถึงอายะที่แปดสิบจริงๆเป็นเนื้อหาที่ตั้งสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เลื่อนไปนะสุรย์ยูซุฟอายะที่เจ็ดสิบเจดถึงอายะที่แปดสบเนื้อหาต่านพี่น้องจำได้คราวที่แล้วมีการตรวจสัมาระนะครับแล้วก็ไปเจอภาชนะที่หายไปในถุงย่ามของบินเยมินต่านพี่น้องไม่เคยมาเนี่ยจัดทวนให้นิดนึง นะครับท่านนบียูซุมีต้องการที่จะให้บินญามีนที่เป็นน้องร่วมแม่ตัวเองเนี่ยอยู่กับตนนะเพราะว่าพี่น้องทั้งหมดสิบอ็ดคนนบียูซุปนับด้วยเป็นสิบสองคนเนี่ยต่างแม่กันหมดมีแค่บินญามีนที่เป็นแม่เดียวกันกับนบียูซุปนะครับฉะนั้นจึงต้องการที่จะเอาน้องคนนี้เนี่ยร่วมพ่อร่วมแม่อยู่กับตัวเองที่อียิปต์ก็เลย สร้างสถานการณ์ว่าบินยมีนาไมเออรเอาของไปขโมยของไปจริงๆไม่ได้ขโมยแล้วก็ บ, บินยมีก็ทราบอยู่แล้วว่า น, นั่นคือพี่ชายของตัวเองนะพอเปิดย่ําสัมภาระขึ้นมาปรากฏว่าของที่หายไปเนี่ยเป็นเป็นจอกน้ําเป็นแก้วน้ําของของกษัตริย์ของผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่คดีนี้เนี่ยพี่น้องมีความสําคัญเพราะว่า เ, เขาเรียกว่า ภาชนะที่ใส่เครื่องดื่มของผู้ปกครองสแสดงถึงความใกล้ชิดไอภาชนะเนี่ยเวลาที่มีการวางยาพิษเรื่องความปลอดภัยถ้าขโมยตรงนั้นได้ก็แปลว่าขโมยของที่ใกล้ตัวกษัตริย์มากๆได้เนี่ยแปลว่าทำไมเอย่ยความไม่ปลอดภัยมันมีสูงฉะนั้นจึงจึงมีความสำคัญนะพอเจอแล้วเนี่ยนะครับ อายาในวันนี้เนี่ยหาในวันนี้ก็อธิบายถึงเขาเรียกว่าทำไมล่ะปฏิกิริยาของพี่น้องที่เหลือว่ายังไงหลังจากเจอของที่หายไปในถุงย่ามของเบญจมินแล้วพวกพี่น้องของนบียูซุฟกล่าวแบบนี้ครับส่งมาน่อยกอลูพวกเขากล่าวว่าอินยาสุริกถ้าขโมยนะ ถ้าเขาขโมยถ้าบินยามินขโมยทำไมเอย่ยฟา ก, กัสซาร์ ก, ก็อาคุณละหูพี่ชายของเขาก็เคยขโมยมาแล้วมินก็รู้ก่อนหน้านี้เจอของที่ถุงยางของบินยามินพวกพี่น้องก็เลยบอกว่าถ้าคนคนนี้จะขโมยบินยามินจะขโมยเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าถ้าพูดจําหยา บ, ยบสันดานเดิมเนี่ย เหมือนกับพี่ตัวเองที่เคยขโมยมาแล้วก็คือท่านนาบียูซุฟอะเลฮิสสลับคำพูดแบบนี้พี่น้องสะท้อนอะไรหลายอย่างหนึ่งเป็นการปรับปั๊มนบียูซุฟว่าขโมยซึ่งนบียูซุฟไม่เคยขโมยเลยนะมีหน้ำซ้ำไอ้สิบคนที่ว่าเนี่ยทากับนบียูซุฟก็ทําไม่ดีเอาไปโยนทิ้งไว้ในบอ่อ แล้วก็โกหกหลวพ่อว่านาบียูซุฟถูกมาป่ากินไปวันนี้พอมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ใส่ร้ายนาบียูซุฟซึ่งตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบพวกเขาคิดว่าตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบถ้าพูดแบบนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ทราบว่าไอ้ที่พูดอยู่นะคือนาบียูซุฟใส่ร้ายต่อนหน้าเจ้าตัวเลยแล้วเจ้าตัวนบียูซุฟนี่ก็ไม่ธรรมดานะมีตําแหน่ง ให้อาหารแจกสเบียงแล้วก็มีลูกน้องเต็มไปหมดและที่สําคัญที่สุดเป็นถิ่นของน บ, บิยูซุพพี่น้องนึกภาพออกไหมนาย บ, บิยูซุพเนี่ยดูแลกิจาการตรงนี้ทั้งหมดคนนี้มาขอสเบียงน บ, บิยูซุพเป็นคนที่คุมสบียงแล้วก็มีลูกน้องในอายะกืออ่านแช่คำว่าฟัตยานลิฟาตาฮูกอนและลิฟาตาฮุก็คือมีเด็กรับใช้มีคนเต็มไปหมดแหละถ้าน บ, บิยูซุพจะเอาเรื่องจริงเนี่ย สิบคนนี้เนี่ยไม่ ไ, มได้ไปไหนตายอยู่ที่อียิปต์นี่แหละนะสะท้อนประเด็นที่หนึ่งคือสิบคนนี้ทําไมเอ่ยใส่ร้ายนาบิยูซุฟซึ่งนบิยูซุฟไม่ได้เป็นผู้ที่ขโมยประเด็นที่สองคำพูดตรงนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนบิยูซุฟปูพื้นฐานที่หนึ่งนะ ท่านนาบียักกุบอลัยฮิสลามที่เป็นพ่อของนบียูซุฟเนี่ยมีภรรยาอยู่สี่คนสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับหนึ่งคือลีอารลีอารนี่เป็นพี่นะและก็แม่นบียูซุฟชื่อราฮีลราฮีลในภาษาถ้าพูดแบบโยุโรปอ่านว่าราเชลสองคนที่เป็นพี่น้องกันนะครับและทั้งสองคนนี้ก็เป็นเป็นภรรยาของท่านนาบียักกุบอลัยฮิสลาฮ อันนั้นเป็นกฎชรีอาเป็นบัญญัติในสมัยก่อนนะสามารถที่จะแต่งพี่แต่งน้องได้แต่ว่าในบัญญัตินบี ม, มุ h a ม m a ทำแบบนี้ไม่ได้นะไปขอลูกสาวเขาจะไปขอน้องไปเจอพี่สวยขอควบเลยในชรีอาอบดุมุ h a มมัดเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ห้ามแต่ในสมัยก่อนไม่ได้ห้ามท่านอบดยะกูบเนี่ยแต่งทั้งเลอาและก็ราฮลราฮิลเนี่ยคือราเชอ เลีอาร์เนี่ยนะครับมีลูกเอาลาชเชลก่อนราคีนเนี่ยราฮีนคือแม่ของนบียูซุปมีสองคนคือนบียูซุปกับบินยาเมียนแค่สองคนนาที่เหลือเป็นแม่อื่นฉะนั้นสองคนนี้จึงมีความผูกพันกันเยอะสะท้อนออกมาตอนที่นบียูซุปต้องการที่จะดึงตัวบินยาเมินไว้กับตัวเองเพราะว่าห่วงน้องตัวเองบินยาเมินเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็เป็นน้องเพียงคนเดียวของนบียูซุปแล้วก็เป็นน้องเพียงคนเดียวที่เป็นแม่เดียวกัน ในโลกนี้มีแค่สองคนยูซุปกั บ, บมิยาเมีนที่เป็นแม่เดียวกันนอกจากรีอาแล้วเนี่ยนะครับนบียากูบก็ยังแต่งงานกับสาวใช้อีกสองคนของขอร์ฮีนแม่นบงยูซุปเนี่ยก็คือร์ฮีนและก็พี่น้อร์ฮีนคนหนึ่งและก็แต่งกับสาวใช้ขอร์ฮีนอีกสองคนนะครับชื่อว่าบุลฮากับซุลฟนานานะครับ คนนี้ก็มีลูกออกมาสิบสองคนนะนาบิยูซุกกับบิญาเมนเป็นลูกของราฮิลบุลฮะมีดานากับนอฟตาลีอันนี้ไมต้องจำหรอกนะครับแล้วก็ซุลฟ้านี่มีญาติกับอาเชียและที่เหลือทั้งหมดก็เป็นลูกของเลียนะเป็นคนที่เช่นพี่ชาคนโตเนี่ยโรบินเนี่ยเป็นลูกของภรยา ที่เป็นพี่น้องกับแม่นา บ, บียูซุฟนะครับมีใครล้ามีสมาอูลลาวียาหูดาบาซาเกิร์นะครับซบู ล, ลูนอันนี้เป็นกี่คนเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะหกคนเป็นแม่เดียวกันแล้วก็อีกสองอีกสองอีกสองรวมกันไปสิบ2คนนะแม่นา บ, บียูซุฟก็สองคนแม่ที่เป็นสาวใช้ของแม่นา บ, บียูซุฟ ซุนฟากกับสองคนและก็แม่อีกคนที่เป็นสาวใช้ของแม่ดับิยูซุปชิบูล์าก็อีสองคนเป็นหกคนส่วนอีห6คนที่เหลือเป็นแม่เดียวกันคือเรียรรวมกันเป็นเป็นสิบสองคนไม่ต้องจำหรอกนะครับให้ทราบข่าวข้อนี้คำพูดที่บอกว่าอินยสริฟักสารก็อาคุณละหูมีกอบลูกนะถ้าบินยามีนจะขโมย ก็ไม่แปลกเพราะว่าพี่ของมันก็เคยขโมยมาแล้วสะท้อนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอบดยูซุฟพี่น้องเนี่ยมีความมีความอิจฉากันส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบินยาบินเป็นอีกแม่หนึ่งฉะนั้นแทนที่จะปกป้องในฐานะที่เป็นน้องกับโยนไปเพราะว่าถ้าขโมยก็เพราะพี่ชายของมันก็เคยขโมยมาแล้วอ่า ก็แปลว่าลูกของนั้นของแม่อุ้นเนี่ยขโมยหมดเลยสองคนนะขอกตัวเองดีถ้าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคำพูดตรงนี้พี่น้องครับนะกูอ่านบอกว่าเล่าว่าฟาซราฮายูซุฟ ฟ, ฟีนับซีฮีนบียูซุปเนี่ยเก็บไม่แสดงออกนะนักต้มี บ, บางคนบอกว่าไม่แสดงออกนี่คือไม่แสดงความโกรธออกมา พ่อทำไมล่ะไอ้สิบคนที่เคยเอานาบีซุปไปทิ้งในบอ่อเนี่ยแล้วโกหกว่าหมาป่ากินพยายามจะฆ่าตัวเองวันนี้มาไม่สำนึกไม่พอมาใส่ร้ายตัวเองย้อนหลังด้วยว่าเคยขโมยมาแล้วน้ำซ้ำไม่พอวันนี้ใส่ร้ายน้องชายตัวเองด้วยว่าถ้าขโมยก็ก็สันดานเดียวกันกับพี่มันคำพูดตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนคนอื่นในสถานการณ์แบบนั้นโกรธมาก นะพูดต่อหน้านะไม่ทราบว่านี่คือนบียูซุฟแต่พูดต่อหน้าเลยว่าพี่มันคือยุซุฟเคยขโมยมาแล้วน้องมันก็สันดาลเดียวกันแล้วที่พูดเนี่ยพูดในถิ่นนบียูซุฟด้วยถ้าเอาเรื่องนี้พวกนี้ตายนะครับแต่นบียูซุฟฟาอัลฮะฮะยูซุฟฟูฟีนับซีฮีเก็บอาการความโกรธตรงนี้ไว้ไม่แสดงออกจากเหตุการณ์ตรงนี้สะท้อนลักษณะหนึ่งของนบียูซุฟคือความสุ ข, ขุม หลายครั้งและในเหตุการณ์ถ้าย้อนมองกลับไปพี่น้องเราจะเห็นความสุขขุมรอบคอบของท่านนี้นบียูซุฟอะเลฮิสลาห์ครั้งไหนบ้างครั้งที่มีปัญหากับสุไลคอใครจะปั่มใครไม่ปัําใครนบียซุบอกท่าสถานการเป็นแบบนี้พิจารณาแล้วเนี่ยอยู่ในคุกดีกว่าตอนที่กษัตริย์ส่งคนมาเชิญตัวนบียูซุฟไปออกจากคุกติดคุกมาเป็นสิบปีนะเจ็ดปีสิบสองปีกันแล้วแต่เกือบสิบปีเนี่ย นบิยุสุปไม่ออกเลยบอกว่าให้ไปเคลียร์คดีเก่าก่อนว่าที่จะปั้มกันเนี่ยปั้มกันสมัยก่อนเนี่ยใครปั้มใครและตัวฉันบริสุทธไหมนี่คือความสุ ข, ขุมรอบครอบของท่านนบียุสุปอลัยฮิสลามแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งตรงนี้เนี่ยน้องถูกใส่ร้า ย, ายแล้วก็โยมมาเข้าตัวเองด้วยนบิยุซุปไม่แสดงความรู้สึกออกมานี่คือนี่คือความสุ ข, ขุมของท่านนยบิยุซุปอลัยฮิสลามเราโชคดีที่ ประวัตินบียูซุปเนี่ยมีรายละเอียดเราจึงลักษณะของนบียูซุปรละเอียดมีความฉลาดความจำดีสุ ข, ขุมรอบคอบยุติธรรมมีเยอะไปเลยซึ่งนบีท่านอื่นก็มีแต่เผอิญซายูซุปเนี่ยเล่าประวัตินบียูซุปอย่างละเอียดเราก็เลยเห็นชัด นบียุซุปไม่ใช่รออย่างเดียวนะรอเนี่ยพออ่านประวัตินบียุซุปอย่างละเอียดแล้วไอ้ความรอเนี่ยเป็นประเด็นหลังๆเลยเพราะมีหลายอย่างซึ่งเด่นกว่าความรอในวันนี้เราเห็นความสุขุมของนบียุซุปโดนแบบนั้นไม่โกรธนะวะลัมยุบดีฮาและหุ้มก็อ่านเน้นเลยว่ายุซุปไม่สแสดงความรู้สึกออกมาแล้วก็ไม่เปิดเผยให้เขาทราบ ก็เละอันตุบชารุนมาการ่านบียูซุบกาวว่าพวกท่านนั้นเป็นชั่วร้ายจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะขัดกันนหนบอกมาแสดงออกแล้วทำไมไปดา่านักทับซศิษย์ส่วนหนึ่งอธิบายว่าเป็นคำพูดที่น บ, บียุซุบ พ, พูดกับตัวเองพอฟังสิ่งที่บนนั้นพูดมาแล้วเนี่ยพอไปมามากำลังช่วยมันอยู่เนี่ยมันบอกเราเป็นขี้ขโมย ไม่พอบอกน้องเราสันดานเดียวกันอีกขี้ขโมยเหมือนกันนบีซุปกาวจึงกล่าวว่ากอละอันตุ้มชารุมกานาพวกท่านเนี่ยทำไมเอ่ยมีสถานะที่เลวมากชั่วมากแต่ว่าคำพูดตรงนี้ไม่ได้พูดให้ได้ยินพูดกับตัวเองหรือว่าพูดเสียงเบาอะไรกันแล้วแต่พูดในใจกันแล้วแต่นะครับก็แสดงเห็นว่ามันมีความรู้สึกบางอย่าง เกิดขึ้นกับ น, นบียูซุปแต่นบียูซุปไม่แสดงออกให้เห็นถ้าพูดก็พูดกับตัวเองไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะคำพูดตัวนี้แรงนะเป็นพี่น้องข อ, ง อ, อกเดียวกันขี่ขโมยทั้งคู่แรงสำหรับนบียูซุปแต่ว่าเก็บกั้นความโกรธไว้ได้ว่าอัลลอฮฺลัมุบิมาตาสัสฟูลอัลลอนั้นทราบดียิ่งในสิ่งที่พวกท่านกล่าวหาในสิ่งที่พวกท่านพูดออกมา ถ้าเราจะนับการโกหกที่พี่น้องทำเนี่ยหลายครั้งมากโกหกแต่งแต่เด็กโกหกจนกระทั่งว่าพ่อไม่เชื่อแลว้วข่าวหลังที่จะพาบิญามีนมาเนี่ยต้องมีการสาบบุญสาบานกันเต็มที่เลยเพราะว่า พ, พ่อไม่ไว้ใจแล้วฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านกล่าวหาเนี่ยอลัลลอฮฺทราบดีจริงไม่จริงอัลลอฮฺทราบดีเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีความจริงอยู่เลย เมื่อกี้คืออายาที่เจ็ดสิบเจ็ดต่อมาในอายาที่เจ็ดสิบแปดกอลูพวกเขากล่าวอ่ะพวกเขาคือใครคือคือพี่น้องนบิยูซุฟไอยูฮันอาซิสโอ้ท่านท่านอาซีสในภาษาไทยแปลว่าท่านผูวนะไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนกันท่านอาซีสเนี่ย ถ้าอายาตรงนี้เนี่ยสะท้อนในเห็นว่าอะไรเอ่ยตำแหน่งที่นบียูซุฟอยู่เนี่ยคืออาจิสตำแหน่งเดียวกับสามีของนางสุไลคอซึ่งซื้อนบียูซุฟไว้เนื้อเรื่องมันก็มาต่อกันนะเพราะว่าตะกอนคนที่ซื้อยูซุฟก็อ่านใช้คําว่าอาจิสชัดเจนแล้ววันนี้พี่น้องก็เรียกนบียูซุฟด้วยกับตำแหน่งเดียวกันคืออันอาจิส คำถามคือเอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาริคนที่แล้วหายไปไหนและนั บ, บยูซุปถึงมาทำหน้าที่แทนก็มีคําอธิบายออกมาที่พูดเนี่ยพี่น้องบางทีไม่ใช่ดิสซอเฮีษษเยไม่ใช่หลักฐานแบบชัดเจนวายิปต้องศรัทธานะไม่ใช่นะบางทีเป็นอิสราเอลียาสเป็นการวิเคราะห์เป็นความเห็นนักวิชาการสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ความเห็นเยอะพี่น้องนะครับฟังไว้เสริมความรู้ไม่ต้องยิดเอาเป็นเอาตาย นับทบเซกุลหนึ่งอธิบายว่าสามีนางสุไลคอเนี่ยตอนที่นบียูซุปขึ้นมาตําแหน่งนี้เสียชีวิตไปแล้วเคยเป็นอาซิสเป็นตําแหน่งนี้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเสียใจตรอมใจตายเพราะนางสุไลคอทําไมเอย่ยเนี่ยจะปั้มในบียูซุปคนที่เป็นสามีทราบดีว่าใครจะปั้มใครเสียใจตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตไปนะนบียุซุปติดคุกก็จริงแต่คนที่เป็นอาซิสทราบดีว่า ใครทําใครก็เลยเสียใจตอมใจตายพอตําแหน่งว่างลงตรงนี้เนี่ยนะครับนบิยูซุปออกจากคุกขึ้นมากษัตริย์อียิปต์ก็เลยแต่งตั้งนบิยูซุปทาหน้าที่แทนอาจิซที่เคยซื้อตัวเองมาบางคนอธิบายต่อไปว่าสุดท้ายนะายสุไลคอก็มาแต่งกันนบิยูซุปว่ารออาลัมมีคนที่เห็นด้วยนะครับทัศนะนี้มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับทัศนะนนี้นะอย่างไรก็แล้วแต่ตอนที่ สิบคนพี่น้องของนาบียูซุฟมาถึงอียิปต์นาบียูซุฟดำรงตำแหน่งอันอาซิสแล้วครนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยก็มีคำอธิบายเหมือนกันมีประเด็นถกเถียงเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่นาบียูซุฟออกจากคุกบอกกับกษัตริย์ว่าที่จอันนี้อัลลาห์ขาอินินอรดแต่งตั้งฉันให้ดูแลครังของแมนดินเป็นกระรวกลางคลัง ฉะนั้นอาซิสนี้เนี่ยดูแลเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมอ่าเป็นข้อสังเกตได้รับซีซ์ส่วนหนึ่งอธิบายว่าอาซิสแต่จริงๆแล้วเป็นตำแหน่งองครักษ์ดูแลเรื่องความปลอดภัยทีนี้คำถามก็คืออ้าวตกลงว่าอาซิสเนี่ยตำแหน่งไหนกันแน่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล ะ, กะเกษตรตำแหน่งไหนกันแน่นำมาอยู่ซึ่งควบตำแหน่งไหนกันแน่ นะครับเวลามีข้อถกเถียงตรงนี้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับมาหน่อยเราเอาความเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยไปจับอดีตได้ไม่ทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยในความเข้าใจคนทั่วไปทงผมพี่น้องแล้วกัคนในสมัยนี้เนี่ยเข้าใจว่าสาเบียงกเกษตรการค้างเนี่ยคนละส่วนกับความปลอดภัยมหาไทยคนละกระทรวงเรามองแบบนี้เป็นมุมมองของคนปัจจุบัน แต่ในอดีตลักษณะหน้าที่การงานอาจจะไม่แบ่งเหมือนปัจจุบันตำแหน่งนี้ควบตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ควบไปตำแหน่งนี้นะของไทยเนี่ยอะไรแหละกระทรวงสวัสดิการและแรงงานบางตำแหน่งควบเดียกันตำแหน่งแยกกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาก็คือว่าตำแหน่งที่นายบิยูซุปดูเนี่ยชัดๆเรื่องสเสบียงสิ่งที่เราเห็นจากประวัติศาสตร์ประเดินที่สองก็คือว่า ตำแหน่งที่นา บ, บียูซุปอยู่นั้นเข้มงวดด้านความปลอดภัยมันมีความเกี่ยวข้องกับสองอันความปลอดภัยกับสเสบียงนะเพราะว่าตอนที่มีสิ่งของหายเนี่ยมีหน่วยงานซึ่งทําไมเอ่ยสามารถดําเนินการอย่างฉับไวของหายอะไรหายจอกรินน้ํากษัตริย์แก้วน้าส่วนตัวงกริย์หายอยู่ที่ไหนตึ๊บตึบตบตบ๊อยู่ที่นี่ อ่าเห็นไหมมาตรการความปลอดภัยสูงแล้วก็ตอนที่พี่น้องนบะีซุบมาครั้งที่แล้วเนี่ย น, นี่ครั้งที่สองนะมาครั้งที่หนึ่งกลับไปที่บ้านเนี่ยสัมภาระของตัวเองก็ทําหายไว้แต่ว่าเมื่อเวลาเปิดมีสิ่งของที่หายไปแต่ว่าเวลาเปิดมาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งของที่หายไปกลับมาคืนสู่สัมภาระตัวเองซึ่งพี่น้องก็เอาตรงนี้ไปยืนยันกับพ่อว่าที่อียิปตนะ์นั้นมีความปลอดภัยสูงนะ เพราะขนาดของที่เราหายเนี่ยวันนี้ผู้ดูแลตรงนั้นเอาของกลับมาใส่ย่ามของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเดินทางกลับมาบ้านเปิดมาพึ่นจะมาเจอว่าอา้าวของที่หายไปมีคนคืนกลับมาแล้วแสดงว่ามาตรฐานในการทำงานของทีมนาบิยูซุปสูงมากนะแน่ๆหละมีเรื่องการคังสองมีเรื่องความปลอดภัยฉะนั้นอาซิส ต, ตรงนี้เนี่ย จะเป็นกระทรวงเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ชื่อแต่ว่าที่เราเห็นชัดๆจากสิ่งที่กูอ่านเล่าให้ฟังคือหนึ่งด้านสบเสบียงสอนด้านความปลอดภัยอาจะแปลว่าผู้ว่าธรรมนตรีอะไรกันแล้วแต่เนบียุสุดํารงตําแหน่งนี้แล้วพี่น้องกล่าวว่ากอลูยะอยุหันอซิสโออซิสเอ๋ออินนัละหูอับันชัยคอนกาบีรนัน นะครับคนที่ท่านจับตัวไปในบบนญามินเนี่ยเขามีพ่อที่แก่มากแล้วชายคอนกบิีรอนนักทับซิส่วนมากเลยอธิบายว่าชายคอนคือคนสูงอายุกับบีรอนกับิีแต่ว่าใหญ่ก็คือมีพ่อที่แก่มากแล้วแต่ว่ามีนักทับซิส่วนน้อยอธิบายว่าชายคอนกบิีรอนไม่ได้แปลว่าแก่มาก แต่หมายถึงสถานะตําแหน่งทา่านอบยกุปเป็นผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์ตัวเองนี่วัตถุสิ่ส่น อ, อธิบายอย่างนี้นะส่วนมากอธิบายว่าอายุหมดความไม่เห็นผมก็ค่อนไปทางอายุนะครับแต่วัตทุสิ่งที่ผมใช้อิมโนอาชุดเนี่ยอธิบายว่าไม่ใช่อายุเยอะแต่เป็นตําแหน่งอาวุโสในเผ่าของตัวเองทั่วโลกอาลัมย่ไยกันแล้วแต่ ตรงนี้เนี่ยนะครับทำไมเอย่ยเป็นข้ออ้างที่พี่น้องสิบคนเอามาอ้างว่าบิญญาิีที่ท่านจับไปในฐานะนที่เป็นขโมยเนี่ยมีมีพ่อซึ่งพ่อคนนี้ชัยคอนกาบีรันแก่มากแล้วหรือว่ามีตำแหน่งอาวุโสในเผ่าตัวเองก็แล้วแต่ทำไมล่ะเพราะว่าถ้ามอว่าแกมากแล้วเนี่ยคนที่แกมากแล้วทาไมเอย่ยมักจะห่วง ลูกคนสุดท้องคนที่เป็นไอจูเนี่ยจะได้รับความรักเยอะตอนที่พ่อแม่ยังหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเนี่ยรักลูกเท่ากันทุกคนแหละนะแต่เวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นคนที่ห่วงที่สุดคือคนสุดท้องพี่มันแต่งไปแล้วพอสุดท้องยังไม่แต่งนะมากระโดดกระแบ่งกันไปละกันแต่บ้านที่อยู่ขอให้คนสุดท้องได้ไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้ห่วงน้องคนสุดท้อง ดังนั้นทำไมเอ่ยฟาคุตอาฮาดานามากานาหูกลุ่มสิบคนนี้ก็เลยเสนอว่าเอางี้แล้วกันคนที่ทางจับได้ว่าเป็นขโมยเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องพ่อที่แก่มากค่วงรักคนนี้มาก จับเราสักคนหนึ่งเป็นตัวประกันแทนได้ไหมปล่อยน้องคนนี้กลับมาแล้วเอาเราก็ได้ใครกระดัยเนี่สิบคนเนี่ยชี้มาคนหนึ่งแล้วก็จับแทนไว้ได้ไหมเสนอมาอินานา ร, รกรินันวัสซีนีนแน่แท้เราเห็นว่าท่านเราคือพี่น้องสิบคนเห็นว่าท่านท่านคือท่านนบดยูซุฟมินันวสัสซนีนเป็นหนึ่งจากผู้ที่เป็นคนดีทั้งหลาย ท่า น, นเป็นคนดีน่าจะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดหรือว่าจะไม่รับโทษยอมรับการตัดสินของท่านแต่ว่า <c oughs> ทําไมเอ่ยเอาเราไปแทนได้ไหมถ้าพี่น้องมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ผมเล่าให้ฟังว่า <c oughs> ในกฎหมาย <c oughs> ในอียิปต์สมัยนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้ามีการลับขโมยเกิดขึ้น <c oughs> การลงโทษคืออะไรครับ คนที่ขโมยต้องตกเป็นทาสของเจ้าของทรัพย์นี่เป็นกฎสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีนะไปขโมยของอจับได้ว่าขโมยของผมก็จะกลายเป็นทาสผมถือว่าติดหนี้ต้องเอาตัวมาเป็นทาสรับใช้ผมฉะนั้นการที่พี่น้องเสนอว่าอย่าเอาบญยามีนไปเลยเนี่ยก็คืออย่าเอาไปเป็นทาสของนบยยูซุปเลยเอาเอาสักคนเนี่ยไปแทนที่ได้ไหมพ่อทําไมล่ะพ่อแก่มากแล้ว พวงน้องคนนี้เหลือเกินอ่าอันนี้เป็นคําพูดของทําไมเอ่ยของพี่น้องทั้งสิบคนเดี๋ยวต่อไปนบียูซุฟจะพูดบ่าอญญายะที่เจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องอธิบายพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยนความผิดที่บิน ญ, ญามินขโมยเพราะมันสันดาลเดียวกันกับพี่มันนั่นแหละที่ขี้ขโมยก่อนหน้า น, นี้คือยูซุฟนบียูซุฟเจ็บมาก พูดแบบนี้เจ็บมากแต่ไม่แสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้พูดให้ได้ยินอาจจะพูดกับตัวเองอายะที่เจ็ดสิบแปดพอเหตุการณ์เป็นแบบนั้นชัดเจนหลักฐานเจอแล้วว่าบิญามินขโมยซึ่งจริงจริงวงเล็บนาไม่ได้ขโมยจริงเป็นแทนขอนบิบิซุเพื่อเจ้าน้องอยู่กับตัวเองอายะที่เจ็ดิบแปดพี่น้องทั้งหมดเสนอทางออกถ้าจะจับบิญจมินไว้อย่าจับเลยพ่อห่วงพ่อแก่มากแล้ว เอาเราสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนได้ไหมนะนี่เป็นการขอร้องนบียูซุฟอลัยสัลามเป็นกระพุกพันพี่น้องหมดเลยนะกรูกอรูกรูแปลว่าพวกเขากล่าวว่าต่อไปอายะที่เจ็ดสิบเก้ากร่าเขากล่าวว่าฮีฮีเ็ตก็คือนบียูซุฟเมื่อกี้เป็นเดนะเป็นพวกเขานาบียูซุฟว่ากล่าวว่ากอล่ามาอัลลอฮิ ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮอันนาคุ้าอิลลามนุยัดนามตาอาณาอินดาหูเราจะเอาคนอื่นนอนอกเหนือจากคนที่เราพบหลักฐานได้ยังไงล่ะอินน่าอิดัลละจลิมูลถ้าทำแบบนั้นแลว้วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยุติธรรมในกฎหมายตรงนั้นเนี่ย ใครขโมยตกเป็นทาสของเจ้าของทรัพย์ถ้าวันนี้เราเอาคนอื่นมาเป็นทาสไม่ใช่คนขโมยไม่ใช่คนที่เราไปพบหลักฐานเนี่ยวายัตนามาตาอนาอินดาหูพบสิ่งของกับเขาเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มายุติธรรมไอคนที่ทําผิดแต่ไม่ลงโทษคนนี้ไปลงโทษคนอื่นหรือว่าไอคนนี้ทําผิดและมีคนเสนอตัวว่า <c oughs> ไทยตัวเองว่าฉันขอรับผิดแทนถ้าแบบนี้ทําได้นะกฎหมายที่มีเจ้งหมดทําไมล่ะผมไปฆ่าคนตายพอคนตำรวจจะมาจับเอ้ามีลูกน้องมาขอติดคุกแทนได้ไหมโอ้อย่างนี้สบายเลยนะครับไปขโมยของคนพอจะมาเอาผิดเอ้ามีลูกน้องมีทาสอะไรกันแล้วแต่เอามาไอคนนี้มาผิดแทนผมได้ไหมถ้าทําแบบนั้นแล้วทําไมเอ่ยกฎหมายที่มีบทบัญญัติที่มีเละหมด ใครทําผิดคนนั้นก็ต้องรับโทษนบีซุบบอกแบบนี้มาตลอดเนี่ขอความคุ้มครองจอร์ลอข้อเสนอที่คุณพูดมาเนี่ยทาไม่ได้ถ้าทําแล้วเราจะกลายเป็นคนที่จอรเลมฉะนั้นเราทําไหมเราไม่ทําอ่านบีซุบกล่าวคำถามที่บางคนถามมาคือว่าเอ้ยนบีซุบเนี่ยพอฟังมาเป็นคนดีตลอดเลยแล้วทำไมต้องมาวางแผนแบบนี้่ะ เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนซื่อเป็นคนฉลาดตลอดเลยแล้วทาไมต้องวางแผนแบบนี้ทําไมถึงต้องการให้บินยามีนอยู่กับตัวเองหนึ่งความรู้สึกพี่กับนอ้องกี่ปีแล้วไม่ได้เจอหน้ากันคือในโลกนี้เนี่ยมีแค่ยูซุปกับบินยามีนฉันกับแกนี่แหละที่เป็นแม่เดียวกันที่เหลือไม่มี และที่เหลือพี่น้องอื่นคนละแม่เนี่ยมันทำกับฉันราฉันโยนลงบอ่อความรู้สึกในผูกพันกับบิญญามินมันมีแล้วไ่เจอตั้งกี่ปีอันนี้พูดในฐานะที่เป็นมนุษย์ความรู้สึกรักพี่รักน้องนะครับสองน บ, บียูซุฟพวงในความปลอดภัยเพราะว่าทำไมล่ะลูกแม่นี้เนี่ยราฮีนเนี่ยคนหนึ่งถูกอิจฉาแล้วก็โยนลงบอ่อ ทำไมนบียุซุฟถูกอิจฉาละ่ะเพราะได้รับความโปรดปรานจากพ่อพ่อเอ็นดูนบียุซุฟมากนะและนบียุซุฟก็มีลักษณะาบางอย่างซึ่งพิเศษกว่าพี่น้องคนอื่นเช่นฝันเอาเห็นดวงดาวดวงอาทิตย์มาสู่อยู่ตบตัวเองพอมาเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกเรื่องนี้เล่าให้พี่น้องฟังไม่ได้นะเพราะว่าเขาอิจฉาอยู่เดีย๋ยวจะโดนทํำร้ายและก็จริงรักนบียุซุฟมากกว่าพี่น้องคนอื่นเลยโดยทำร้าย ตอนนี้ยูซุปไม่มีแล้วพ่อรักบินยามีนที่สุดน บ, บีนยูซุปกลัวว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเองวันนี้จะมาเกิดกับน้องตัวเองเพราะว่าทำไมล่ะพี่น้องสิบคนเป็นผู้ที่อิจฉาทราบได้ไงก็ตัวเองโดนมาแล้วยโยนลงบอลหายเนี่ยสาสิบปีส0สบปีไม่ได้กลับบ้านแล้ววันนี้พ่อรักบินยามีนที่สุดหลักฐานชัดเจนนะว่าทาไมพ่อรักบินยามีนที่สุด เพราะว่าตอนที่พี่น้องสิบคนเดินมาขอสับเดียงครั้งที่หนึ่งบิญญามีไม่ได้มาด้วยทิ้งไว้ดูแลพ่อน้องคนสุดท้องพักมากเช่นเดียวกันพี่น้องกระสาบดีว่าพ่อพักบิญญามีที่สุดถึงเสนอตัวเองว่าบิญญามีจะจับเลยจับใครกระด้นในหมู่พวกเราสิบคนจะเลือกเปคนหนึ่งเอาไปแทนบิญญามีนาย บ, บิยูซุปเข้าใจสิ่งตรงนั้นดีหวงว่าสิ่งที่เกิดกับตัวเองจะกลับมาเกิดกับน้องตัวเอง นี่คือผลประการที่2เอ้ยทำไมต้องวางแผนแบบนู่นแบบนี้นะครับประการที่3นอกจากห่วงว่าพี่น้องจะทำอะไรบมีามินแล้วเนี่ยห่วงการเดินทางด้วยความปลอดภัยแบบนู่นแบบนี้ไอ้สิบคนน่ะมันโตแล้วดูแลตัวเองได้แบบนู่นแบบนี้แต่ว่าทำไมล่ะ วิญญามีนเป็นคนสุดท้องพวงในความปลอดภัยที่ที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่ที่อียิปต์อยู่กับตัวเองซึ่งตัวเองนั้นตอนนี้มีตําแหน่งหน้าที่มีลูกน้องมีบริวารมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่ที่อื่นน่ะไม่มีกินฉะนั้น ท, ที่ดีที่สุดคืออยู่อียิปต์นี่อยู่กับตัวเองไม่อยากจะปล่อยบิญญามีนไปนี่คือสิ่งที่นายบิยูซุกคิดแล้วก็เลยวางแผนแบบนี้ไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์นะ เป็นคนฉลาดลวางแผนการที่วางไว้ไม่ได้ทําร้ายใครถ้าเปรียบเทียบแผนการนาบียูซุปกับแผนการพี่น้องในต่างกันเยอะแผนการพี่น้องทํำร้ายนบียูซุปเพราะเอายูซุปโยนลงในบอ่อตายก็ได้เป็นท่าก็ได้แต่แผนการที่นบียูซุปวางไว้ไม่ได้ทําร้ายใครเพราะทําไมล่ะเพราะต้องการจะเก็บน้องไว้กับตัวเองประเด็นนี้มีประเด็นถกเถียงถ้าต่อยอดนาะในทางเชรีอะฮีลาเนี่ย แผนเนี่ยเราเราเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ได้ไหมวางแผนแต่ว่าวางแผนในเขาดีกันวางแผนเขาให้มีความดีเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยสามารถทำได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับโยงกลับมาประเด็นที่ว่าเอการโกหกเนี่ยในสถานการณ์ไหนที่โกหกได้เช่นโกหกให้ภรรยาดีใจทาได้ไหมมันก็มีตบทาริกอาหารที่ทำเนี่ยร้านข้างนอกอร่อยกว่า แต่ว่าเวลากินของภรยาบอกว่าจานนี้อร่อยที่สุดจริงไหมไม่จริงโกหกโกหกแบบนี้นะ่ะได้ไหมให้ภรยาสบายใจหรือว่าโกหกให้คนเขาดีกันมีคนสองคนไม่มองหน้ากันเลยไม่สลามกันเลยอยากให้ดีกันก็คือโกหกว่าเอารู้ไหมเนี่ยไอ้คนที่เธอโก น, นวันนั้นมันบนถึงนะมันคิดถึงความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นให้คนดีกันโกหกแบบนี้อิสลามอนุญาตให้ทําได้นะเป็นด้านฮีละ กลับมาบอกนบียูซุปนบีซุปที่วางแผนแบบนี้เนี่ยเป้าหมายไม่ได้เพื่อทํำร้ายใครฉะนั้นถ้าเป้าหมายดีวิธีการเนี่ยพอจะผ่อนผันได้ไหมอันนี้ว่าได้ทําได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นต่อไปในทางเชริอันผมไม่ลงลึกแล้วเพราะทัศนตาต่างมันเยอะเดี๋ยวงานมันจะเข้านะอา้าวกลับมาที่ประวัตินบียูซุปต่อเมื่อกี้อายาที่เจ็ดสิบเก้าไปแล้วนบีซุปบอกว่าไม่เอาอะ่ะคนไหนทําผิดเอาคนนั้นถ้าเอาคนอื่น แปลว่าฉันไม่ยุติธรรมฉันไม่ทําเพราะเปะ้าหมายคือจะเอาเบมินอยู่กับตัวเองคนอื่นจะเอาทําไมล่ะนะอายาสุดท้ายวันนี้อายาที่แปิบฟารั ม, มัสไตาอาซูมินหูเมื่อพวกเขาหมดหวังมินหูหมดหวังในสิ่งที่เกิดขึ้นหมดหวังยังไงย้อนกลับไปหมดหวังในการที่จะการเจราจากับนบิยูซุบขอบเบญามินกลับมา เสนอทาออกหมดเลยเนี่ยเอ๊เอาคนนี้แด้ไหมคนนู้นแทนได้ไหมพ่อกระเก่แล้วขอความสงสารก็ขอแล้วขอรับโทษทันก็ขอแล้วรับโทษแทนเนี่ยขอแล้วทําทุกอย่างแล้วแต่นบียูซุฟไม่ยอมก็อ่านเลยเล่าต่อไปว่าฟัลัมัสไตาอาซูมินฮูเมื่อหมดหวังแล้วยังไงบิญญามินตันโดนแน่แล้วเนี่ยเขาลซูนอาญียันพวกเขาก็ทําไมเอ่ย ปีกตัวออกมาแล้วกับปรึกษากันคุยกันสิบคนเอาอยัางไงดีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมเอ่ยมันไปใหญ่แล้วนะแก้ไม่ได้แล้วนะหลักฐานขโมยก็เจอชัดเจนที่บิญญามีนแล้วจะเอาตัวกลับไปก็เอามาได้ขนาดขอรับผิดแทนอยู่เป็นตัวตัวตายตัวแทนอาซิสคนนี้ก็ไม่เอา จะเอาอยัางไงกันดีเนี่ยกอลากับบีรูฮุมพี่ชายคนโตที่สุดก็เลยกล่าวว่าอาลามตะละมูนพี่ชายคนโตชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อโรบินนะครับโรบินแบทบแมนกับโรบินเนี่ยเอามาจากชื่อพี่น้องระเบีสุบันนิสไคร์นี่แหละโรบินก็เป็นลูกคนโตเป็นลูกแม่แม่ที่มีหกคนนะแม่เยอะอันนี้เป็นคนโตสุดนะ คนโตก็เลยกล่าวว่าอะลัมตะลามูพวกท่านทราบดีใช่ไหมอันนาบากุ้มพ่อของพวกท่านนั้นทำไมเอย่ยก็อาคาตะอะไรกุ้มเมาสิกรมินอล้อพ่อของพวกท่านเนี่ยได้ทำสัญญาได้สาบานกับพวกท่านไว้แล้วถ้าพี่น้องไม่ขอใจตรงนี้กลับไปดูอายะที่หกสิบหก นะตอนที่พี่น้องกลับจากอียิปต์นะครับตอนกลับมานบีสุกตั้งเงินไขว่าคราวหน้าถ้าจะเอาสาเบียงน้องปองมาทั้งหมดน้องเขาสุดท้องปองมาถ้าไม่มาไม่ให้ตั้งเงินไขไว้ฉะนั้นสิบคนที่กลับไปก็เลยไปเกี่ยกล่อมพ่อพ่อส่งบิญจมีนมาเถอะถ้าไม่ส่งมาสาเบียงจะไม่ได้ไปขอพ่อพ่อให้ไหมตอนแรกพ่อไม่ให้พ่อทาไมล่ะ ยูซุปเอาไปก็ไปทําหายไปโกหกว่าหมาป่ากินแล้ววันนี้จะเอาบิญามีนไปอีกเดี๋ยวก็เป็นมันยูซุปยังไงก็ไม่ให้พี่น้องน่ยช่วยกันพูดสิบคนน่ยช่วยกันสัญญงสัญญาทุกอย่างสุดท้ายมาสาบานนาบียะคูบเนี่ยในอายะที่หกิหกนะครับย้อนกลับไปจะเล่าว่าไอ้เมาส์ซีคอนมีดัลร้อนเนี่ยในอายะที่แปดสิบเกี่ยวย่างไงต้อกลับไปอยู่ในอายะที่หกสิบหก ในยานทีกนบียะกุป บ, บอกกับลูกสิบคนว่าถ้าจะบิญญามีนไปนากรละนบียะกุบกล่าวว่าลันอเซลาหูมาอากุมฉันจะไม่มีวันส่งบิญญามินไปกับพวกท่านฮัตตาจนกว่าตุตูนามาสิกานมินาลล์ท่านจะทําไมเอ่ยทําการเนี่มาสิกานมินาลล์ทำการสาบานสาบานกับฉันและตะตุนนานีบีฮี ว่าจะนําบิญามีนกลับมาหาฉันผมก็อธิบายไปแล้วว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมาติกันม่นอกรอเวลาที่จะสาบานสัญญาเนี่ยสาบานด้วยคําพูดไม่ได้สมัยนี้ได้ผมสาบานกับพี่น้องว่าแบบนี้แบบนี้วันลออนที่เอาเราเป็นพยานได้แต่ในสมัยก่อนในชริอานในสมัย น, ย น, ยนบียกรุบอลัยฮิสลามเนี่ยสาบานแค่คําพูดไม่ได้ต้องมีสิ่งของแทนตัวด้วย สาบานด้วยคําพูดด้วยแล้วก็ต้องมีของมาจําตัวมาแทนตัวเช่นแหวนผมเนี่ยใสายมาทั้งชีวิตไม่มีไม่จริงๆไม่มีนะครับแล้วก็วันนี้สาบานต้องถอดแหวนให้กับนั่นด้วยเป็นแทนตัวเองด้วยเพื่อให้คําสาบานมันหนักแน่นกว่าเดิมเรื่องขอเมอริกอนมนลาเนี่ยในเป็นเป็นบญรยายของพวกอิสรอินสมัยนี้ไม่มีแล้วถอดแหวนมาต้องขอประจําตัวเลยนะไม่ใช่เอาของไม่ประจําตัวของที่ติดตัวตัวเองเนี่ย สาบานว่าฉันต้องทำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งพี่น้องสิบคนทำแบบนี้การสาบานในลักษณะ น, นี้แรงมากถือว่าภาษ า, าไทยขังมากถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของการสาบานแล้วในบันทิสราอินพี่ชายคนโตโรบินเนี่ยพูดเลยงานนี้เนี่ย เพราะว่าฟาร์ ม, มัสไตอาซูมินหูหมดหวังแล้วจะบิยามินกลับไปบิยามินยังไงต้องติดอยู่ที่อียิปต์นี่แหละโทษฐานขโมยพี่คนโตบอกว่าจำได้ไหมอันนี้แยกตัวมานำประกาการพี่น้องสิบคนจำได้ไหมก่อนจะมาเนี่ยทำไมล่ะพ่อให้เราสาบานไว้สาบานแบบหนักเลยเอาของแทนตัวไปแล้วเนี่ยนะครับวามินกอลูมาฟ ร, รตุมฟิยูซฟ บินยามีนกับสาบานไว้แล้ววันนี้ก็ทําตามสาบานไม่ได้ธรรบัญญกูบอกสาบานเลยนะลาตาตุนนานีบีฮีต้องนําเขากลับมาหาฉันตอนนํำบินยามีนกลับมาหาฉันเน้นย้ําเลยพี่คนโตบอกว่าสุดท้ายเราก็ผิดคําสาบานที่ให้ไว้กับพอ่อบินจามีนเรากลับไปไม่ได้แล้วต้องติดอยู่ที่อียิปต์ เท่านั้นไม่พอนะหัวมิงกอบลูกแล้วก่อนหน้านี้มาฟัดรอตุ้มฟียูซุฟสิ่งที่พวกท่านก็ทําผิดพลาดมาในเรื่องของยูซุฟตอนที่ตอนเด็กๆนะเอาเนาะ็กยูซุฟไปวิ่งเล่นแล้วก็ไโยนในบอเนี่ยก็สัญญากับพ่อไม่ถึงกับสาบานนะสัญญากับพ่อว่าจะดูแลยูซุฟพ่อบอกว่ากลัวเหลือเกินหมาป่าจะเอาไปกิน พี่น้องบอกว่านาโนอุสบาตุนเรามีกันเป็นสิบหมาป่ามันจะมาได้ไงล่ะน้องคนเดียวดูแลได้เรามีกันเยอะอุสบาแปลว่ากลุ่มชนเราอยู่กันเนี่ยเป็นเป็นขยโยงเนี่ยหมาป่าที่ไหนจะมากินล่ะอนั้นอันนั้นยังไม่สาบานแต่สัญญากับพ่อพอให้การตรงนี้เกิดขึ้นกันบเบนญมีนพี่ชายคนโตเนี่ยรำลึกทุกอย่างแล้วก็ บ, บอกกับพี่น้องทั้งหมดเป็นพี่คนโตเนี่ยพูดได้น้องฟัง ตอนนี้เนี่ยผิดคำสาบานกับพ่อเรื่องบิยามีนเท่านั้นไม่พอจำได้ไหมสมัยก่อนเราก็เคยทำผิดกับยูซุฟผิดกับพ่อด้วยผิดกับยูซุฟด้วยจำได้ไหมวันนี้เหตุการณ์มันกลับมาซ้ำ ร, รอยอีกแล้วพี่ชายคนโตบอกว่าฟาลันอัลลาฮันอรัรดาฮัตตายะอัลาะหลีอาบีเอายะฮักุมลอลลอฮูลี บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ตัวฉันนะฉันจะไม่ไปไหนถ้าเอาบิญามินกลับไปไม่ได้ฉันก็จะไม่ไปไหนยูอียิบนี่แหละไม่มีหน้ากลับไปพบพ่อเพราะทำผิดกับพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าฟาลันอัปราฮันเอาตอจะไม่ไปที่อื่นแล้วไม่มีหน้ากลับไปพบพ่อ จนกว่ายะดานาลีอาบีจนกว่าพ่อเนี่ยจะยอมอนุญาตแก่ฉันไม่เอาโทษฉันเพราะเป็นคนสาบานกับพ่อเอายะกุมโมลฮูรีหรือว่าอัลลอ์จะเป็นผู้ตัดสินฉันพี่คนโตเนี่ยละอายเหลือเกินที่ความผิดกับน้องเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าวอ ว, ว, วันคอยอุนฮากิมีนทำไมเอ่ยอัลลอ์นั่นเป็นผู้ที่เป็นผู้ผตัดสินที่ดีที่สุด ในประวัติน บ, บียูซุปเนี่ยนะครับเราจะเห็นเวลาที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นคนคนนึงซึ่งในกออุศลไม่ได้บอกว่าใครชัดเจนนะแต่ตรงเนี้ชัดแต่อยายะก่อนหน้า น, นี้ไม่ชัดที่เสนอความคิดขึ้นมาเช่นตอนที่น บ, บียูซุปเป็นเด็กจะไปทิ้งในบอเนี่ยข้อต่อลงตอนแรกคือจะฆ่าเลยนะยูซุปเอาไว้ไม่ได้ ม, มีผูนิดหนึง่งไม่เคยใช้นะครับอ่ายูซุปเอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่าเลยนะ แต่ว่ามีคนคนหนึ่งในหมู่พี่น้องเสนอว่าไม่ต้องถึงกับฆ่าได้ไหมโยนทิ้งในบอ่อก็พอตรงนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครนัตตัิษนําเสนอบางคนบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นยาหูดาบางคนบอกว่าเป็นเฮบินไอคนโตที่นําเสนอตรงนี้เนี่ยก็คือในพี่น้องที่มีความวิชายังมีคนที่เป็นคนดีอยู่คนหนึ่งคอยห้ามปามพี่น้องว่าอย่าให้ถึงขนาดนั้นยูซุบเหมือนกับน้องเราจะฆ่ากันเลยเหรอ โยนลงบ่กระพอนี่นี่มีแบบนี้เหมือนกันนะครับคนคนนั้นคือใครในอายะห์ก่อนหน้านี้อายะห์จำไม่ได้แล้วเหตุการณ์ตอนเด็กเนี่ยกอล่าฮันดูฮุมเนี่ยมีคนคนหนึ่งกล่าวว่าไม่ต้องฆ่ายูซุปไปทิ้งในบ่กระพอไม่ทราบว่าเป็นใครที่เขาพูดกันมีสามคนหนึ่งคือโรบินพี่คนโตที่พูดในวันนี้ที่บอกว่าฉันไม่มีหน้ากลับไปพบพ่อจะไม่ไปไหนอยู่อีฟนี่แหละพราะว่าิทำพลาดมาสองครั้งแล้วเป็นคนคนเดียวกันบางคนบอกเป็นยาฮูดา ซึ่งต่อมาเป็นต้นตระ ก, กูลของเยฮูดนะครับแล้วก็ไอ้คนมาคนบคนชื่อเป็นเลวีเลวีซึ่งต่อมาเป็นตนตระ ก, กูลของเผ่านักบวชวกเราอะลัมมีคนคนหนึ่งที่คอยทักพี่น้องทั้งหมดในอยายันนี้คนที่ทักในเหตุการณ์นี้เนี่ยกูอ่านบอกชัดเจนว่ากอลากาบีโรหุมพี่คนโตก็คือโรบินเนี่ยเหตุการณ์ น, นี้ชัดนะว่าใครพูดเหตุการณ์ก่อนนั้นนั้นไม่ชัดว่าใครพูดพวกเราอะลัม บางคนก็เอนมาว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันคนที่คอยนำเสนอพี่น้องเพราะเป็นพี่คนโตเนี่ยพี่น้องฟังนะครับเ <c oughs> นื้อหาจบแค่นี้แหละนะครับอย่าโวรอีกนิดนึงเพราะเวลามเหลือประมาณห้านาทีสิบนาทีถ้าเล่าสั้นๆเนี่ยนะสองประโยคจบคือทำไมล่ะพี่น้องเอาบิเมินกลับไปไม่ได้ เนี่ยถ้าเราเนี่ยสองประวัติจบส อ, สองประโยคจบแต่ว่าเวลาทับสี่ต้องให้รายละเอียดนะครับเพราะว่าคำนี้ก็อ่านเลือกมาเนี่ยพี่น้องเป็นคำที่มีความหมายแล้วก็สะท้อนอะไรบางอย่างต้องต้องไขควรแล้วก็พิจารณาจากอายาที่77เราจับความรู้สึกความสัมพันธ์บางประการได้ในครอบครัวของท่านนีบยบซูฟพี่น้องต่างแม่กันไม่ได้คมเกลียวกันหมด นะไอสามแม่ที่เหลือเนี่ยสมมาิจะไปทางเดียวกันแต่รอฮีนเนี่ยแม่นบียูซุปเนี่ยจะโดนอิจฉาเยอะหน่อยเพราะทําไมละ่ะนบียากรุบรักรอฮีนมากแล้วก็รักลูกที่เกิดกับรอฮีนมากไม่ว่าจะเป็นยูซุปกับบินญามีนความสัมพันธ์ในครอบครัวมันมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับสะท้อนออกมาว่า สะทอนออกมาในเหตุการณ์ดีว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเบนจามินปุ๊บพี่น้องสิบคนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอ้เป็นพี่น้องของเราไม่ผิดแต่โยนความผิดไปเลยขมโมวยแบบนี้สันดานเดียวกับพี่มันเคยขมโมวยไว้คําพูดตรงนี้ทํำร้ายความรู้สึกน บ, บียูซุฟมากนะครับทําร้ายความรู้สึกนะแต่ว่าฟาซาราห์นบีซุฟไม่แสดงออกว่าลัมยุบดีฮานแล้วพุมไม่ได้เปิดเผยให้เขาเห็นพี่น้องต่างจำตรงนี้ไว้ เพราะตอนสุดท้ายตอนที่นบีเยูซุ์อธิบายให้พี่น้องให้ให้อภัยกับพี่น้องลาตาซีบาและกุมุลเยาเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วนบีเยซูซบอกว่าวันนี้ที่พี่น้องมาหาพงอพ่อมาเนี่ยวันนี้อภัยยะโทษให้ไม่มีความโกรกเคือนไม่มีความแค้นกันไม่มีการเอาคืนทุกอย่างเซตศูนศูนย์เป็นศูนย์ไม่หมดไม่โกรธไม่เครื่องถ้าพี่น้องมองตรงนั้นเนี่ยนะแล้วมองย้อนกลับมาในวันนี้สิ่งที่ท่านนบีเยซูซ์สอบัตอดทนเนี่ยเยอะเหลือเกิน ทั้งชีวิตห่างจากครอบครัวเด็กคนหนึ่งวิโนงติดถ้ำเนี่ยวิโนงกินดูสิบามคนเนี่ยยังห่วงกันเลยนั่นสิบสาคนนะเป็นอยู่เก้าวันสิวันเอาห่วงกันความรู้สึกกันนะเด็กในพะิวซุปเด็กสมัยตอนไหนก็ไม่ทราบคนเดียวเหมือนติดถ้ำแหละโยนไปในบอ่อออกไม่ได้นึกออกไหมมีน้ําอยู่ข้างล่างความรู้สึกเดียวกันและคนเดียวเลยนะและเด็กและก็ทํานั้นไม่พอไม่ได้ช่วยออกมาจากถ้าแล้วจบนะออกมาจากบอ่อแล้วกลายเป็นธาตุไปกันใหญ่อีก ไม่ใช่ทาดแถวบ้านหรืทาดนู่นไปที่อียิปต์จะถูกบงถูกปั้มติดคุนติดคุกผ่านมาสารพัแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยคาพูดแบบนี้ทาอิจการอับยูซุกมากมีเยมินขโมยสันดานเดียวกับพี่มันพี่มันก็ขโมยมาก่อนเจ็บกูอ่านถึงแช่คําว่านบิซุกเก็บไว้เพราะว่าไม่ใช่ไม่รู้สึกเลยแต่เก็บความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าที่น้อไปอ่านตอนจบถ้าข้ามไปอ่านตอนจบเนี่ย คำพูดทินนบียูุฟพูดตอนจบซึ้งมากอันโยมลาตาซิบะอไลกุมุนโยมวันนี้ไม่มีการเอาคืนเป็นคำพูดทินนบีพูดในรายงานฮันดิสนาไมซ์อียะแต่ว่าเป็นมีรายงานในวายะรายงานว่าตอนที่ทนเบีพิชิตมะกะมะกาทันนาบีว่กกกกาวเยอะแยะไปหมดเลยซอบ้าบางคนเสียชีวิตบางคนโดนเล่เทะไปหมด แต่วันที่มุสลิมวิชิตมักกะพูดคําพูดเดียวกับนบียูซุฟพูดกับพี่น้องลาตัสลิบะอะไรก็มุนยมวันนี้ไม่เอาคืนถ้าเอาคืนมักกะเนี่ยเลือดท่วมเพราะแต่ละคนเนี่ยทำมุสลิมทั้งหมดเลยเคยไปสงครามเคยฆ่านูน่นฆานอู้หูถ้าเอาคืนเนี่ยแย่นบีนโมมัดพูดคําพูดเดียวกับนบียูซุฟมีรรวายรายงานไว้แต่ไม่ถึงกับซอเฮี ย, ยนะครับอันนี้มองในเชิงประวัติศาสตร์เล่าให้ฟังนะ เมื่อกี้อายาที่เจ็ดสบเจ็ดอายาที่เจ็ดสิบแปดอายาที่เจ็ดิบเก้าอายาที่แปดสิบเนี่ยนะครับเราก็เห็นแม้ว่าพี่น้องจะอิจฉานบียูซุปนะแต่ความเป็นครอบครัวก็ยังมีอยู่มีการเสนอตัวเองว่าขออยู่แทนเบนเยมีนได้ไหมคือเวลาเรามองคนเนี่ยอย่ามองแบบละครถ้ามองแบบละครไอ้คนที่เลวเนี่ยไม่มีดีเลยพี่น้องเลวยังกระดูก เล็วยันเงาก็ว่าไอ้คนดีเป็นไปกันดีซื่อตลอดเลยนะมันมันไม่สมจริงในรายการอภิยูซุปเนี่ยยอมรับว่าพี่น้องสิบคนมีคนที่อิฉายูซุปกับบิยามียนมีคนที่สายร้ายแต่ก็มีความดีบางอย่างในฐานะที่เป็นคนมีคนเสนอตัวเองเนี่ยเอาแทนได้ไหมเอาคนอื่นแทนบิยามินได้ไหมมีคนที่อาย พี่ชาก็ขาโตอายเลยเกินไม่กากลับไปพบพ่อยอมรับว่าวันนี้ทําผิดแล้วก็เคยผิดมาแล้วก่อนหนะ้ากับนบียูซุฟวันนี้ไม่มีหน้าไปไหนบิญจามีนถูกจับที่อียิปฉันก็อยู่อียิปฉันไม่ไปไหนอ้าวมันก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือเป็นคนนี่ยคนน่ยมันไม่ใช่ดำกับขาวไปเนาะมันมีสีเทาๆด้วยนะดำกับขาวปนกันไอคนนี้โกหกชอบด่าคนความดีมันมีทําไมละ่ะมันละหมาดไม่ขาด ไอคนนี้ไม่คุมหัวเลยแต่ว่ามาได้เลวอย่างเงาพี่น้องช่วยเหลือคนจนเยอะผู้ ด, ดีกับผู้คนฉะนั้นเวลามองคนนะพี่น้องเลวอย่างเดียวมันจะหวบกรมมันจะไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีเลยไม่ใช่หรอกนะแต่ยังผมนี่เอาสอนหนังสือว่าดีแต่ดีมันไม่ดีไม่หมดไอที่เลวก็มีก็คือเวลามองคนมองบนบนความเป็นจริงนะครับผู้เฉพาะประเด็นนั้น ถ้าเขาไม่ละมานก็นะสี่ฮัตเฉพาะไม่ละมานไม่ต้องไปด่าไม่ละมานแบบนี้สันดานเดียวกับพี่มึงอ่าอย่างนี้ไม่ได้เหมือนสายล่าเนี่ยนายบิยูซุปโดนนะไม่ละมานแบบนี้โตกีตแชร์แกก็ไม่ละมานอ้าวไม่ใช่คุยเฉพาะตรงนั้นพอมันจะไปกันใหญ่นะครับวันนี้เวลาหมดยังเอ่ยนะปวดหูยังไงไม่ไม่ชินแกนี่นะครับอ่าแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยถ้า ยัยประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์าหน บ, บียูซุฟจ ะ, ฉะเฉลยแล้วอะฉันนี่แหละ ย, ยูซุฟนะเหตุการณ์มันไขแม็กไม่เรื่อยๆอ่านทําอ่านดีๆในะประวัติน บ, บียูซุฟสนุกมากกูอ่านบอกเป็นอัสนุนก็สเป็นเรื่องเล่าดีๆดีสุดได้แง่คิดสนุกประจนภัยไม่ต้องมีชูสาวกันเลยในหนังปัจจุบันนบี่น้องขนาดจะไปสู้กับมนุษย์อวกาศเนี่ยมสู้อวกาศเนี่ยก็มีฉากได้เสียกัน ่าใครดูหนังมาแล้วจะไปขึ้นไปดวงจันทร์แล้วแต่จะมีภาพได้เสียกันหน่อยจะมีเซ็กมีเพศออกมาแต่ว่าประวัติในยูทูบเนี่ยมีครบถ้วรสชาติไม่ต้องมีซินาเ น, เนื้อเรื่องดีๆไม่ต้องมีซินาไม่ต้องมีโมเสียะมีจะปั๊มแต่ฉันไม่ปั๊มด้วยอ่ามีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ให้แง่คิดเป็นเรื่องที่กูอ่านยกย่องว่าอัสนุนกอร์ซสให้แง่คิดประทับใจ นะครับและก็สะท้อนอะไรหลายอย่างวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับวบิลหิเตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุ่มวะะฮ์มัตุลลอฮิหัวบะาะกาตุ